ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนมหาตันหาสังขยสูตรจากคำพีมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วก็เรียนมาจนกระทั่งถึง ในหน้าที่ส1บอบาลีข้อ410สกล่าวถึงการอุบัติขึ้นของพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีพุทธคุณว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนเป็นต้นนะ mm hmm. อันนี้ก็เรียนมาถึง ตรงนี้ในคราวที่แล้วสำหรับพระสูตรชื่อว่ามหาตันหาสังขยสูตรก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงความสิ้นไปของตันหาโดยครบถ้วนโดยสมบูรณ์นะตันหามีขึ้นมีขึ้นมาได้ยังไงกองทุกเป็นไปได้ยังไงก็ตันหานี้เป็นทุก ข, ขะสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดกองทุกทีนี้ จะสิ้นตัณหาสิ้นกองทุกไปได้ยังไงก็บอกไว้จนครบถ้วนทีเดียวนะครับถ้าเราทั้งหลายมีกองทุกหรือว่ามีความทุก์เกิดขึ้นก็จะได้ไม่ไปมองหรือว่าไม่ไปโทษสิ่งอื่ น, นบางคนไปโทษกรรมเก่าบ้างโทษเทวดาบ้างโทษเจ้ากรรมนายเวรบ้างอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยแต่ในพระสูตรนี้ท่านก็กล่าวถึง ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลว่ามันมาจากความไม่รู้พอมีความไม่รู้แล้วเกิดมาแล้วก็เข้าไปกระทบสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ในโลกนี้ก็มีทั้งอารมณ์ที่ทําให้สบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างทีนี้คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญามาตั้งแต่เด็กมีความไม่รู้มาก็ จะหลงรักข้างหนึ่งหลงชังข้างหนึ่งหลงรักอารมณ์ที่ให้ความเพลิดเพลินใจหลงชังอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจใจก็เต็มไปด้วยความยินดียินร้ายเมื่อใจเต็มไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเข้าไปกระทบอารมณ์ใดใดในโลกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นที่ตั้งของความรู้สึกเกิดสุขบ้าง ทุกบ้างอะทุกขมสุขบ้างเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วเขาก็ติดข้องในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ก็ทําให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้นะครับเขาก็พากันสแสวงหาอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นสุขตามตัณหาอุปาทานของตนเองการทําตามตัณหาอุปาทานก็เป็นภพมีภพก็มีชาติมีชาติก็มีชารามรณะ โสกะปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสะความเกิดขึ้นของกองทุกทั้งมวล น, นี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะครับอันนี้พวกชาวโลกทั้งหลายก็จมอยู่ในกองทุกขอย่างนี้เพราะว่าใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความยินดีและความยินร้ายความพอใจและความไม่พอใจอารมณ์ต่างๆในโลกก็แยกเป็นสองข้างอารมณ์ที่น่าพอใจกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ ทำไมจึงทาให้อารมณ์แยกไปสองข้างอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้ความจริงพอไม่รู้ความจริงก็เกิดตัณหาเกิดความอยากอยากได้ต้องการอย่างนี้นะครับทีนี้พระสูตรนี้ก็กล่าวถึงความสิ้นของตัณหานะถ้าสิ้นตัณหามันก็สิ้นทุกข์ไปด้วยเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับนะถ้าสิ้นตัณหาหมดตัณหา ทุกไม่เกิดก็ไม่มีทุกจะให้ดับ<ม>ก็แปลว่าความดับสนิทของทุกไปอย่างนี้ถ้ายังไม่สิ้นตัณหานะก็ไม่สิ้นทุกหรอกเพราะว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกก็ไปเอาทุกอันใหม่มาเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อใดสิ้นตัณหานะสิ้นตัณหาตัณหาไม่สร้างทุกขึ้นมาใหม่ไม่มีทุกเกิดขึ้นก็ไม่มีทุกจะให้ดับแล้วอย่างนี้นะครับ นี้พวกชาวโลกเขาก็จมอยู่ในกองทุกข์เพราะว่ายังไม่รู้ความจริงทีนี้ก็มาฝ่ายวิวัตตะหรือว่าฝ่ายไม่วนเวียนบ้างคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ในบาลีข้อ410นะครับหลังจากมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้แล้วบุคคลได้ฟังธรรมะก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ออกมาบวชประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ แล้วก็ฝึกฝนตนเองให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดวิชาขึ้นพอเกิดความเข้าใจความจริงแล้วเขาก็ไม่มีตัณหาพอหมดตัณหาก็หมดทุกข์ก็จบลงไปเท่านี้นะฉะนั้นถ้าพูดแบบย่อๆมากๆก็มีนิดเดียวคือว่ากองทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะว่าเขายังไม่รู้ความจริงก็เกิดความหลงรักหลงชังมันก็เกิดตัณหาความอยากได้ ความพอใจเพลิดเพลินกับอันหนึ่งเพลิดเพลินในแง่ที่จะได้อันหนึ่งมาเพลิดเพลินในแง่ที่ว่าจะไม่มีอีกอันหนึ่งเพลิดเพลินในแง่ที่ว่าจะได้สุขมาเพลิดเพลินในแง่ที่ว่าจะไม่มีทุกข์เพลิดเพลินในแง่ที่ว่าได้สงบสุขได้จิตสงบนิ่งอยู่เพลิดเพลินในแง่ที่ว่าจะไม่มีความฟุ้งซ่านน่เพลิดเพลินในแง่ที่ว่าจะได้อันหนึ่งมีอันหนึ่งเพลิดเพลินในแง่ที่ว่า จะไม่มีอีกอันหนึ่งอย่างนี้เขาก็พากันขวนขวายสแสวงหาความสุขหรือว่าจ้องมองว่าอนาคตจะเป็นสุขอย่างที่ตนเองปรารถนาพวกนี้ก็สร้างทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนั้นเป็นฝ่ายวั ต, ตะแต่ถ้าฝ่ายวิวัตตะก็มาฝึกฝนให้รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือฝึกเริ่มต้นตั้งแต่ให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้จัก การที่จะพ้นไปจากมันได้คือไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายมันนั่นเองนะครับในบาลีข้อ410นะในคราวที่แล้วก็อ่านไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็บรรยายไปตามลำดับอิทัพพิกเวตถาคโตโลเกอุปัชชติอรหังสัมมาสัมพุทโธดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต เป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่สามารถฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า สัทธาเดวามนุษย์สารังเป็นเทวเป็นครูเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาเป็นผู้จำแนกธรรมะโส อ, อิมังโลกังสัเดวากังสามารักังสะพรมะกังสัตสมณะพรามะนิงประชังสัเดวามนุษย์สังสยามอภิญญา สัจจิกัตตวาประเวเดติพระตถาคตนั้นกระทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วบอกให้ผู้อื่นรู้ตามนะพระองค์รู้ด้วยตนเองคือรู้ด้วยสยังอภิญญา แปลว่ารู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้เฉพาะหน้าด้วยตนเองแล้วก็ประเวเติคือบอกสอนผู้อื่นให้รู้ตามโสธรรมังเดเสติอาดิกัลยาหนังมัตเชกัลยาหนังปริโยสานกันลยาหนังศาสถังสพยัญชนังเกวละปริปุ น, นังปริสุทธังพระมจริยังปากาเสติ พระตถ า, าคตนั้นทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในถามกลางและงามในที่สุดที่ถึงพร้อมด้วยอัฏถะและพยัญชนะทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนอันนี้เป็นลักษณะของธรรมะที่พระองค์ประกาศที่พระองค์แสดงออกมาคืองามในเบื้องต้นด้วยศีลเป็นความบริสุทธิ์ในด้าน กายวาจาเป็นที่ตั้งที่จะทำให้เกิดกุศลหรือว่าคุณธรรมต่างๆมัดเชกลยานังงามในถามกลางด้วยสมาธิด้วยจิตที่มีความสุขเป็นจิตที่เบิกบานมีความตั้งมั่นแล้วก็อ่อนโยนควรต่อการใช้งานปริโยสานกลยานังงามในที่สุดด้วยปัญญาเห็นความจริง ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มันเป็นทุกข์เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงแล้วก็เป็นอิสระไปจากโลกอย่างนี้นะงามทุกระดับทีเดียวถ้าเราศึกษาเราอ่านเราก็จะเข้าใจแล้วก็ยิ่งประพฤติปฏิบัติตามไปเมื่อกลับมาอ่านก็จะยิ่งเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบตัติหรือว่าเข้าไม่ถึงอ่านอ่านไปอาจจะรู้สึกงามนิดหน่อยหรือว่า ไพเราะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ลิ้มรสธรรมะมันก็ไม่เห็นความงามของธรรมะศาสถังพร้อมทั้งอัฏฐะคือเนื้อความและก็สพยัญชนะพร้อมด้วยบทพยัญชนะคือตัวบาลีที่พระองค์ใช้ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมไปนะแล้วกลับมาอ่านก็จะเห็นว่าคำนั้นๆล้วนแต่เต็มไปด้วยอัฏถะและก็พยัญชนะถึงพร้อมด้วยอัฏะ ถึงพร้อมด้วยพยัญชนะนะเป็นคำพูดที่ไม่มีผิดพลาดอะไรเกวะละปริปุนงังปริสุทธังพรหมจริยางประกาเสติทรงประกาศพรหมจันทร์คือการดำเนินชีวิตชนิดที่มันประเสริฐเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ทั้งปวงอันบริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิทัศนคติอุดมคติอะไรที่มาเคลือบแฝงหรือว่า ไม่ได้แสดงด้วยความหลงรักหลงชังอะไรแต่ว่าแสดงตามที่มันเป็นจริงเป็นธรรมะชนิดที่บริสุทธิ์ศีลก็ศีลแบบบริสุทธิ์นะไม่ได้เป็นไปด้วยตัณหาและทิฏฐิสมาธิก็สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาก็ปัญญาบริสุทธิ์ความเพียรก็เป็นความเพียรที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ของไม่บริสุทธิ์นะพรมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศ เป็นลักษณะบริสุทธิ์แล้วก็เกวรลปริปุลนังบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงบริบูรณ์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะถ้าเป็นคำสอนของคนอื่นนั้นไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์มีความดีบางแง่าบางมุมแต่ว่าทําให้ถึงความพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ของพระพุทธเจ้านี้มีทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ความดีระดับพื้นๆธรรมดาเป็นระดับจริยธรรมก็มี เป็นศีลพื้นๆธรรมดาที่ฝึกฝนแล้วได้อานิสงส์ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นก็มีแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็มีทั้งข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นอริยมรตมีองค์แปดประการที่ทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ธรรมะที่ทรงแสดงนั้น พรหมจรรย์ที่ทรงบอกนั้นเป็นของบริสุทธิ์นะไม่มีเรื่องอคติหรือว่าไม่มีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในนั้นนะครับถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามไปนะก็จะรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องบริสุทธิ์จริงๆนะครับในคราวที่แล้วเราก็เรียนมาถึงตรงนี้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็มาประกาศพรหมจรรย์นนะ ประกาศพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตชนิดที่ประเสริฐให้เราทั้งหลายมาประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ให้เราแค่เป็นคนดีธรรมดาธรรมดาหรือว่าแค่ทำความดีพูดดีคิดดีจะได้ไปเป็นเทวดาทำจิตให้สงบแล้วจะได้ไปพรหมโลกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการประกาศพรหมจรรย์คือการดาเนินชีวิตที่ประเสริฐเป็นไปเพื่อความ สิ้นทุกทั้งปวงก็ทุกทั้งปวงนี่มันก็เริ่มจากกายกับใจเรานี่มันเป็นตัวทุกนะเป็นตัวทุกอันนี้ธรรมชาติของมันเป็นตัวทุกขคือเป็นของไร้แกนสารไม่มีตัวตนเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้อันนี้ท่านเรียกว่าตัวทุกขและมันก็เป็นที่ตั้งของความทุกขเป็นปรากฏการที่ออกมาเยอะแยะความเกิดแก่เจ็บตาย การพรัดพรากโสกปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาสะโรคร้ายอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์ทรมานเป็นอันมากอันนี้ถ้าไม่มีกายไม่มีใจซะและ้วก็ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะมีกายก็ทุกข์เพราะกายมีใจก็ทุกข์เพราะใจเพราะว่ากายกับใจมันเป็นทุกข์นะครับทีนี้พระพุทธเจ้าประกาศพรหมจรรย์ แไรว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงนี่นะก็คือสิ้นที่ตั้งของความทุกข์ไปด้วยเริ่มตั้งแต่สิ้นทุกข์เล็กๆน้อยๆสิ้นทุกข์ที่เกิดจากทุจริตทุกข์ที่ไปอบายสิ้นทุกข์ที่เกิดจากความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดความไม่สบายใจสิ้นทุกข์ที่เกิดจากความยึดถือสิ้นทุกข์ที่เกิดจากความอยากตั้หาต่าง ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยังหยาบๆอยู่เพราะว่าที่ละเอียดที่สุดก็คือกายกับใจเราเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เลยอย่างนี้ด้วยพรหมจรรย์นี้จะทําให้หมดไปทั้งหมดเลยนะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคําสอนอื่นนี้จะไม่ทําให้หมดทุกข์ทั้งหมดนะจะหมดทุกข์เพียงบางแง่บางมุมเท่านั้นเองแล้วก็สักหน่อยก็กลับมาใหม่แหละเหมือนกับทําจิตให้สงบก็ไม่มีทุกข์เหมือนกันนะ แต่มันยังไม่หมดทุกหรอกเพราะว่ายังมีจิตอยู่จิตมันก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันจิตสงบได้ฌานสักหน่อยก็ไปพรมโลกไปพรมโลกหมดกําลังของฌานก็ลงมาใหม่เหมือนกันนะลงมาใหม่สักหน่อยก็ตกไปอบายใหม่เหมือนกันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคําสอนชนิดที่เป็นพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วน ทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ตังธรรมังสุนาติขหาปฏิวาขหาปฏิปุตโตวาอัญยัตระสมิงวากุเลปัจจาชาโตขหาบดีก็ดีบุตรขหาบดีก็ดีที่เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้ฟังธรรมะอันนั้นแล้วอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้ามาประกาศพรหมจรรย์นนะทีนี้ ข้บดีหรือว่าบุตรขหาบดีที่เกิดในตระกูลเกิดอย่างเป็นประชาชนเราทั่วไปนี่แหละก็ได้ฟังธรรมะอันนั้นแล้วโสตังธรรมังสุ ต, ตวาตถาคเตสัตถังปฏิลภพติขหาบดีหรือบุตรคหาบดีนั้นครั้นฟังธรรมะนั้นแล้วก็ได้ศรัทธาในพระตถาคตนะฟังธรรมะชนิดที่เป็นพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วนะ แล้วก็ได้ศรัทธาในพระตถ า, าคตเราทั้งหลายฟังธรรมะแล้วไม่รู้ได้ศรัทธากันหรือเปล่านะโดยส่วนใหญ่ฟังธรรมะชนิดที่เป็นพรหมจรรย์แล้วชนิดที่เหนือโลกชนิดที่เป็นทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะนะรู้สึกแหมมันต้องใช้ความพยายามมากในการละหรือว่า รู้สึกต้องเสียสละเป็นอย่างมากเขาว่าอย่างนี้นะพวกนี้เขาไม่อยากถึงนิพพานนะเขาไม่อยากพ้นทุกข์อะไรเพราะว่าเขายินดีเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์พวกนี้ยังไม่มีศรัทธาในพระตถาคตโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายฟังธรรมะก็ไม่ค่อยมีศรัทธาในพระตถาคตอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็ฟังธรรมะเอาบุญฟังแล้วทําให้จิตใจดีมีความสุขเวลาทุกข์ก็หาทางออกไม่ได้ก็มาฟังธรรมะ ฟังธรรมะสบายใจแล้วก็ประมาทก็วนเวียนไปอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่เพราะว่าเขายินดีในทุกเนีเขาไม่รู้จักพรหมจรรย์เห็นไหมมันมีทุกทุกขะสมุทัยทุกขะนิโรธาทุกขนิโรธาคาไินีปฏิปทาพระพุทธเจ้านี่มาประกาศพรหมจรรย์คือทุกขะนิโรธคาไมนีปฏิปทาคือหนทางที่จะทําให้ถึงพระนิพพานเนี่ยพระนิพพานนี่เป็นความดับสนิทของทุกข ไม่มีรูปไม่มีนามเลยไม่มีแม้กระทั่งความสุขที่ท่านอยากได้เนี่ยเพราะความสุขที่อยากได้กันมันก็เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมนี่นะยังจะอยากได้อีกไหมเนี่ยนีบางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะนึกถึงยิบผ่านเลยเพราะคิดว่าโอ้การปฏิบัติธรรมนี่มันต้องเสียสละแล้วละทิ้งนั่นละทิ้งนี่เขารู้สึกว่าเหนื่อยมากทิ้งไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ไปแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่หรอกแท้ที่จริงเขา พอใจจะอยู่กับกองทุกข์เขาไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นเองนะครับอันนี้เรากล่าวสำหรับท่านที่ฟังธรรมะอ น, นั้นแล้วก็ได้ศรัทธาในพระตถามคตเราทั้งหลายยังไม่ได้ศรัทธาก็ฟังไปก่อนนะฟังไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้จักพรหมจรรย์ได้เห็นความจริงของโลกว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็เห็นประโยชน์ของพระนิพพานนะยังเห็นประโยชน์ของ เงินทองชื่อเสียงการยอมรับหรือว่าเห็นประโยชน์ของอันนั้นอันนี้อยู่เยอะไม่เราเนี่ยถ้ายังเห็นอยู่เยอะก็ตรงข้ามกับพระนิพพานไปไกลมากนะถ้าจะทิ้งเงินทองทิ้งลาบทิ้งยศหรือว่าทิ้งการยอมรับนี่แหมมันยากต้องอาศัยการเสียสละมากเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะแต่ที่จริงมันไม่อย่างนั้นหรอกแต่ที่จริงที่เป็นเช่นนั้นที่รู้สึกเช่นนั้นเพราะว่า เขาติดข้องในความทุกข์เขาเพลินอยู่กับทุกข์เมื่อเพลิเพลินอยู่กับทุกข์ก็ไม่อาจจะพ้นไปจากทุกข์ได้นะเขายัางไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เชื่อไหมนะน่าจะเชื่อบังนะเออเชื่อแต่ว่าเอา๊สุขดีเหมือนกันนะเออเอาเข้าไปนะเชื่อเหมือนกันแต่เอ๊ก็สุขอยู่นะแน่ อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีเท่าไร่ทุกเท่านั้นเชื่อบ้างหรือเปล่ามีบ้างก็ดีเหมือนกันนะมันได้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเอมีบ้างก็ดีเหมือนกันนะอย่างนี้นะก็ว่ากันไปนะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่เห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์นะฉะนั้นก็ให้ฟังธรรมะนั้นฟังธรรมะชนิดที่เป็น กลุ่มธรรมะที่เป็นอริยศาสตร์เป็นความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้โดยเฉพาะหนทางก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการอันนั้นเป็นพรหมจรรย์ตอนนี้ท่านพูดถึงขหาบดีก็ดีบุตรขหาบดีก็ดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้ฟังธรรมะนั้นเขานั้นคันฟังธรรมะนั้นแล้วก็ได้ศรัทธาในพระตถาคต โสเตณสัสทาปฏิลาเพนะสมณาคตโตอิติปฏิสันจิคติคหาบดีหรือบุตรคหาบดีนั้นผู้ที่ประกอบด้วยความศรัทธาในพระตถาคตเช่นนั้นก็พิจารณาอย่างนี้ว่าสัมบาโธคราวาโสรชาปโทอพโกาโสปปัชชา ข้าบาดีหรือบุตรข้าบาดีก็คือพวกคร่องหัตถ์ทั้งหลายนี่แหละที่ได้ฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วก็เข้าใจนะครับประกอบด้วยการได้ศรัทธาเช่นนั้นแล้วก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าสัมบาโทคราวาโสการอยู่ครองเรือนเป็นความคับแคบคนะราวาโสแปลว่าการอยู่ครองเรือนสัมบาโทเป็นความคับแคบมี มีเรื่องวุ่นวายเยอะมีเรื่องให้จัดแจงมีเรื่องให้จัดการมากรชาปโธเป็นทางมาของทุลีเป็นทางมาของกิเลสเป็นทางมาของความเดือดร้อนใจมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้จัดการเยอะแยะศูนย์เสียเวลาแล้วก็ศูญเสียโอกาสในการที่จะปฏิบัติธรรมเป็นนันมากเราก็ลองดูก็แล้วกันนะ ชีวิตคารวะเรานี่นะสูญเสียโอกาสในการปฏิบัติธรรมไปเยอะมากไหมมีเรื่องต้องจัดการมีสามีต้องดูแลมีงานต้องทําเวลาไปทํางานนี่จะมานั่งฝึกสติมันไม่ได้นะเวลาทําการงานทําอะไรก็ต้องทําไปมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องดูแลต้องอะไรต่างๆมันก็คับแคบเป็นที่มาของทุลีเยอะแยะอ่ะ <c oughs> <c oughs> อภโพกาโสปปัชชาส่วนการบวชนั้นเป็นเหมือนที่โล่งแจ้งเป็นอภโพกาดเป็นเหมือนที่โล่งๆเป็นความปลอดโปร่งเบาสบายณ <c oughs> ิดังสุกรังอคารังอัชวสตา เอกันตะปริปุนังเอกันตะปริสุทธังสังคลิ ي ขตตังพรห ม, มจริยังจริตุงการที่เราเป็นผู้อยู่ครองเรือนแล้วจะ ก, กระทาหรือว่าประพฤติปรมจันท ร, ร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้เป็นของที่ขาวดุดสังที่เขาขัดไว้ไม่ใช่กระทาได้โดยง่าย อคารังอัจฉาวสตาแปลว่าอยู่ครองเรือนอยู่ในเรือนเอกันตะปริปุ น, นังให้บริบูรณ์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์โดยส่วนเดียวเอกันตะปริสุดทางให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวบริสุทธิ์โดยครบถ้วนสังคลิกิตังให้ขาวประดุดสังขัดพรหมจะริยังจริตุงก็คือการประพฤติพรมจันทร์การที่เรา อยู่ครองเรือนจะประพติปรมาจรรันให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวให้ขาวประดุ์ดังสังขัดสุกรังนะสุกรังไม่ใช่สิ่งที่กระทำได้โดยง่ายนะครับการที่จะอยู่ครองเรือนแล้วก็ประพตชปรมาจรรันให้บริบูรณ์โดยครบถ้วนนี้มันทาได้ยากไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะครับถ้าเอาแบบไม่สมบูรณ์นี้ยังพอทำได้ นะถ้าจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวนี้ต้องเป็นพระอรหันต์นะพระอระหันต์นี้จะบำเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์นจนสมบูรณ์ศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์อันนี้เรียกว่าบริบูรณ์โดยครบถ้วนเอกันตะปริปุ น, นังเอกันตะปริสุทธังบริสุทธิ์โดยครบถ้วนบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวอย่างนี้นะ ถ้าเอาแบบถ้าเป็นพวกที่ยังไม่ถึงกับตามพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตนะเนี่ยอย่างเช่นเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีอย่างนี้นะพวกนี้ยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตนะนียโลกมันเป็นทุกข์หมดนะแต่พระโสดาบันยังเห็นว่าบางส่วนมันเป็นสุขอยู่นะเนี่ยอย่างนี้ยนางวิสาขาต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เลยพระพุทธเจ้าอุตส่าห์บอกว่านี่นะ นี่เธออยากมีลูกเยอะๆเนี่ยนะอยากมีทั้งเมืองสาวัตถีเลยหรือเปล่านะมีเยอะก็ทุกเยอะนะนางวิสาขายังไม่เชื่ออนะีกเนะี่ยนยังเอานั่นเอานี่มาอีกเยอะนะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องห่วงขนาดขนาดพระโสดาบันพระสกทาคามียังไม่ร้อยเปรซนต์นะนะถ้าจะให้ร0 0นตี่ต้องเป็นพระอระหันต์ส่วนเราผูุ้ชนนี่รู้สึกจะกลับข้างร0 0เอร์นตเลย เชื่อพระพุทธเจ้าไปศูนย์ไปเลยทํานองนี้ mm hmm. นะฉะนั้นก็ต้องฝึกฝนไปนะฝึกฝนไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเอาแบบยังไม่ร้อยเอร์ซ็นักอันนี้ก็อยู่เป็นคาวาะก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกทาคามีบ้างส่วนจะเป็นพระนาคามีเป็นพระละหันเนี่คคาวาะมันยุ่งยากแล้วต้องเป็นพระเนี่ยจะสะดวกที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไม่ได้นะ เป็นค า, ารวาสก็สามารถบรรลุอนาคา ม, มีสามารถบรรลุเป็นอรหันต์ได้เหมือนกันแต่โอกาสมันน้อยกว่าเพราะว่ามันมีความคับแคบเยอะมีเรื่องมากในเมื่อเรายังเสพกามอยู่ยังอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการจะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามนี้มันเป็นทุกข์มันก็ยากแต่ถ้าคนที่เขาทําสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เสมออย่างเช่นระดับพระอนาคา ม, มีนี่จะมีสมาธิที่สมบูรณ์ พอมีสมาธิที่สมบูรณ์นี้นะสมาธิจิตดีไม่มายุ่งเรื่องทางโลกมองเห็นเลยว่าโอ้ทางโลกนี่นะมันเป็นทุกข์มากนะกามคุณนี่เป็นทุกข์ทาไมจึงรู้ว่ากามคุณนั้นเป็นทุกข์เพราะว่าท่านไม่ติดข้องในการมคุณอย่างพวกเรานี้พวกติดข้องกามคุณมันเบื่อเบื่ออยากๆสังเกตไหมมันไม่ออกจริ ง, ง่งแบบนี้นะบางวันก็เบือเ่อเบื่อเบื่อเหลือเกินนะแต่บางวันเป็นไงอยากอยาก เบื่อเอยากส่วนใดจะอยากซะมากกว่านะเบื่อไม่จริงนี่มันเป็นอย่างนี้พวกติดกรมาคุณฉะนั้นการที่พวกติดกรมาคุณจะเป็นพระอนาคามีซึ่งท่านทิ้งกามคุณไปเนี่ยมันยากนะยิ่งจะมาเห็นว่าแม้กระทั่งสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเป็นทุกหมดเป็นพระอารหาันต์ก็ยิ่งยากไปใหญ่อันนี้นะแต่ว่าถ้าเราเอาละเอาเพียงเป็นพระโสดาบันพระ สักธาคามีอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นี้ก็อยู่คารวะก็ไม่เป็นไรหรือว่าออกบวชก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นลักษณะที่มองให้เห็นถึงว่าคนที่ท่านออกบวชนี้ท่านมีแนวคิดยังไงเท่านั้นเองนะฉะนั้นเมื่อได้ศรัทธาในพระตถาคตแล้วนะก็มาพิจารนาว่าการอยู่ครองเรือนนี้คับแคบเป็นที่มาของทุลี อย่างนี้นะถ้าพิจารณาได้อย่างนี้มองเห็นอย่างนี้คนนั้นก็พร้อมจะเป็นพระอระหันต์คือเขาไม่เอาโลกแล้วนะกามคุณทั้งหลายนี่มีแต่นําปัญหามาให้ใช่ไหมเรานี่กามคุณนี่นําประโยชน์มาให้นะแต่เขานี่ไม่มองอยู่นะเขามองว่ากามคุณนี้นําปัญหามาให้มีแต่ปัญหาเยอะแยะเรานี้แหมไม่มองว่ามันเป็นปัญหาโด้วยซ้ำไปไปหามันด้วยซ้ำไปนะ อันนี้ท่านนี้มีท่านยังมองว่ามันเป็นปัญหาแนละของเรามองว่ามันเป็นประโยชน์แล้วยังไปหามันอีกอันนี้ก็ไกลามากนะอันนี้ก็กล่าวถึงลักษณะจิตของผู้ที่เห็นโทษของทางโลกแม้แต่ยังไม่เห็นอริยสัจแต่ว่าศรัทธาในพระธถาคตอย่างแรงกล้าเห็นหรือว่าพิจารณามองเห็นจริงอย่างนั้น เพียงแต่ว่ายังไม่ตรัสรู้อริยสัจเท่านั้นเองก็เชื่อมั่นในพระตราคตพิจารณาเห็นว่าการอยู่คารวาดนั้นมันคคบแคบเป็นทางมาของทุลีส่วนการบวชนั้นเป็นเหมือนที่โล่งแจ้งเป็นโอกาสอันดีที่สุดการที่เรานั้นอาศัยอยู่ในเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์โดยครบถ้วนให้บริสุทธิ์โดยครบถ้วน ให้มันขาวประดุษสังขัดไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้โดยง่ายนะอันนี้ฉะนั้นในที่นี้ท่านก็กล่าวถึงแบบสูงสุดไปเลยก็คือเป็นพระอระหันต์นะแบบบริบูรณ์ไปเลยแบบบริสุทธิ์ที่สุดการจะบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ตอนเป็นพระอระหันต์นะครับบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะปัญญาคนที่มีปัญญาสูงสุดหรือว่า มีปัญญาครบสมบูรณ์ก็เป็นพระอระหันต์ส่วนพระโสดาบันนี้ท่านมีศีลสมบูรณ์พระสกทาคามีมีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบถ้วนก็ยังไม่บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวนะยันนูนาหังเกสมัตสุงโอหาเรตวากาสาญานิวัฒถานิอัจฉาเดตวาอคารสมาอนคาริยัง ปรับเพอเ ย, ยังทางที่ดีเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นคนที่ไม่มีเรือนดีกว่านะเกามัถสุงโอหาเรตวาปรงผมและหนวดกาสายานิวัฒนานิอัจชาเรตวานุ่นงห่มผ้ากาสายะผ้าที่เขาย้อมด้วยน้ำฝาด ภาที่ไม่มีสีสันนะอค า, ารสมาก็ออกจากเรือนอนคาริยังปัพเพเฉยังแล้วก็บวชเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนจะดีกว่าอันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพระอาหารหันนะเรานี้เป็นไงกล้าปรงผมและหนวดไหมหวีผมให้มันเป็นทรงนะ่าจะดูหล่อเหมือนกันนะแต่อันนี้เขาไม่เอาแล้วอะ่ะเห็นว่าผมนี่มันก็เป็นภาระแล้วนะ เสื้อผ้าสีสวยๆ ส, สีนั้นสีนี้เป็นภาระสําหรับเขาแล้วเพื่นุ่งห่มผ้ากาสายะดีกว่าอย่างนี้เราเป็นไงแหมกระจกนะเอามีไว้สองบิดแล้วบิดอีกใช่ไหมทรงโน้นทรงนี้จะออกจากบ้านทีนึงก็แหมไม่ได้ทาปากให้มันแดงๆเหมือนกินเลือดคนนี้มันไม่กล้าออกจากบ้านแล้วอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นอลาหันอะไรกับเขาหรอกนะ พูดถึงเออเป็นพระโสดาบันอะไรนี่ยังพอฟังได้หน่อยนะผลทุกไป Lib we, น, Hence, นิดๆหน่อยๆก็ยังพอได้นะอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นะถ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นี่ก็ธรรมะท่านบอกเอาไว้นี่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะนะโลกทั้งหมดเป็นทุกข์หมดนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา มีสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นสิ่งที่คนยึดมั่นถือมั่นเข้าไปจับเอาแล้วจะไม่มีทุกข์นี้ไม่มีเลยจะไม่มีโทษนี้ไม่มีเลยนี่อย่างนี้บอกชัดๆอยู่แล้วนะนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็แหมออกบวชอย่างเดียวแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้นะก็ยังยึกยักยึกยักอยู่นะนั่นน่ละนะฉะนั้นก็เอาตามสมควรนะครับอันนี้สาหรับ ท่านที่แบบเต็มที่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ประกาศพรหมจรรย์ไว้ให้ผู้ฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระอระหันต์ฉะนั้นเพศพระนี้ต้องรักษาไว้นะเพราะว่าเหมาะสาหรับคนที่ต้องการเป็นพระอระหันต์ส่วนถ้าคนยังไม่ต้องการก็ยังไม่ต้องบวชก็ได้แต่ว่าต้องรักษาเพศพระเอาไว้เพราะว่าสำหรับคนที่เบื่อโลกเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็มีคนมีสติมีปัญญานี่ต้องเอาไว้ให้ท่านบวช ไม่อย่างนั้นแล้วจะหมดความเป็นพระอระหันต์ไปพรหมจรรย์ก็จะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างพระโสดาบันอย่างนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะพระสกทาคามีพระอนาคามียังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าจะบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ต้องเป็นพระอระหันต์อย่างนี้พอเข้าใจไหมนะนะครับมันก็คนละชั้นกันนะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามหรอกเรื่องเราทั้งหลาย จะปฏิบัติธรรมเอาตามสมควรนี่พระองค์ก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าถ้าผู้ที่รู้แจ้งอย่างที่สุดแล้วพระองค์ก็บอกแต่ความเป็นจริงที่สุดส่วนเราจะเห็นหรือไม่เห็นจะปฏิบัติได้เท่าไหนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับฉะนั้นเราเรียนเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้เอาไว้ใช้หรือว่าชาติไหนก็ไม่รู้นะ <laughs> ชาติ น, นี้มันยังไม่ได้ใช้ก็เรียนเรียนไปก่อนนะเรียนเป็น ใช้ความจำอะไรไปก่อนนะอันนี้ท่านก็คิดว่าปลงผมและนนวดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ด, ดีกว่านะโสออปรเรณะสมเยณะอ ป, ปังวาโพคักขันทางปะหายะมหันตังวาโพคักขันทางปะหายะข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นในสมัยต่อมาเขาก็ละกองของโภะกรัพั์น้อยบ้าง กองของโภคทรัพย์มากบ้างอปังวายาติปริวัตตังปหายะมหันตังวายาติปริวัตตังปหายะละเครือญาติน้อยบ้างละเครือญาติมากบ้างเกสมัตสุงโอหาเรตวาปลงผมและหนดกาสาญานิวัฏฐานิอัจฉาเดตวา นุ่งห่มผ้ากาสายะอคารสมาอนคาริยงปับพชติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตที่ไม่มีเรือนในสมัยต่อมานะเขาก็ได้ออกบวชโดยละกองของโภกทระซับน้อยบ้างมากบ้างละไปเลยไม่เกี่ยวกับโภกทระซับไม่เอาแล้วก็เขาเห็นว่ามันเป็นที่มาของกิเลสนะเห็นไหมเงินเป็นที่มาของกิเลสเห็นหรือยัง ถ้าใครยังไม่เห็นก็ยังเที่ยวหาเงินอยู่นะถ้าคนก็เห็นแล้วเขาก็าละนะละกองของโภกขศัพย์นะครับในมุมมองของพระอราหันต์ท่านเห็นว่าโภกขศัพย์นี้แล้วก็กองทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาเหล่านี้นะเป็นที่มาของความทุกข์นะถ้าท่านบอกให้เราได้ท่านก็จะบอกให้เราเอาไปทิ้มทิ้งทะเลซะนะเรากล้าไหมโอ้ยบางคนนี่ ยังไปหาวนเวียนอยู่เลยนะีอันนี้ต้องไปอ่านคําของพระรัฐบาลนะเคยอ่านไหมคําของพระรัฐบาลพระรัฐบาลนี้ท่านก็คิดอย่างนี้แหละออกบวชอยากออกบวชทีนี้เป็นบุตรของเศรษฐีไงเวลาเป็นบุตรของเศรษฐีพ่อกับแม่ก็ไม่อยากให้บวชก็เลยเถียงกันไม่อยากให้ลูกบวชทีนี้กฎของพระท่านมีว่าต้องให้พ่อกับแม่อนุญาตก่อนจึงจะบวชให้ได้พระรัฐบาลตอนนั้นยังไม่ได้บวช ฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเป็นลูกเศรษฐีนะแต่ว่าอยากบวชแล้วไม่รู้จะทำยังไงขออนุญาตพ่อกับแม่ก็ไม่ให้บวชก็เลยอดข้าวไม่ให้บวชก็จะตายเนี่ยไม่ให้บวชถ้าไม่อนุญาตให้บวชก็จะยอมตายอดข้าววันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดทนถึงเจวันพร้อมจะตายอยู่แล้วตอนนี้พ่อแม่ก็คุยกันบอกว่านี่ท่านเนย ลกเราสงสัยเอาแน่แน่นะไม่ให้บวชสงสัยตายแง่แงเลยเออแต่ถ้าเขาตายนี่เราจะไม่ได้เห็นเขาอีกนะถ้าเขาบวชยังยังมีโอกาสโผล่มาให้เห็นบ้างนะอย่างงี้ให้เขาบวชไปก็แล้วกันก็ตกลงกันบอกเอาแล้วให้บวชนะท่านรัฐบาลก็เอาแหละพ่อแม่ให้บวชเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวดื่มน้ําเรียบร้อยก็เอาแล้วไปขอบวชนะ ไปบวชต่อมาก็บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยนี้คนอยากออกบวชเต็มที่นะเขาก็ไปหาวิธีนะีก็คืออดข้าวอยู่เจวันนะพ่อแม่จึงอนุญาตให้บวชนะครับพอออกบวชไปแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ขนาดท่านมีปัญญาอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกไม่อยากได้ชีวิตเพศฆรวาสขนาดนี้นะ ไบวชก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่1ิบกว่าปีเนะี่ยจึงบรรลุเป็นพระอระหันต์ต่อมาก็มาแถวบ้านตนเองนี่แหละจะอีกมาแถวแถวบ้านตนเองก็เดินบินตาบาทไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยวันนั้นก็เดินบิณฑบาทแล้วก็ไม่ได้อาหารนะนางทาสีเป็นทาสของพ่อแม่ท่านเป็นผู้รับใช้บ้านของท่านเนี่ยเอาอาหารไปทิ้งท่านก็เลยบอกว่าอ้าวจะทิ้งใช่ไหมนะ่ะ ถ้าจะทิ้งเอามาใส่ในบาต น, นี่นะก็เลยเอาอาหารที่จะทิ้งนะ้ะใส่บาตพระรัฐบาลอันนี้นางทาสีใส่ข้าวบดบดอะไรพวกนี้อาหารทิ้งนะ่ะเราคงเคยเห็นนะนาอาหารทิ้งๆอ่ะที่เราจะเอาไปทิ้งนะครับก็เอามาใส่บาตพระรัฐบาลพระรัฐบาลก็ได้อาหารเรียบร้อยก็นั่นแหละหาที่นั่งแล้วก็ฉันสบายหลยนะทีนี้นางทาสีก็สงสยัยเอ๊ะหน้าคุนๆนะองค์เนี้ ก็เลยไปบอกกับเศรษฐีสามีภรรยาเนี่ยไปบอกพอไปบอกบอกว่านี่หน้าคุ้นคุ้นเนี่ยพระองค์เนี่ยเศรษฐีก็เลยมาดูพอมาดูก็โอ้ลูกชายเรานก็เลยมาบอกว่าโอ้ยนี่ทำไมมาฉันของบูรันอะไรเงี้ยไปฉันที่บ้านเนี่ยท่านก็เลยห้ามพัดแล้วพระท่านไม่ฉันอีกแล้วท่านก็บอกว่าไม่ได้หรไม่เอาเนเขาก็นิมนต์ไว้อั้นพรุ่งนี้ก็แล้วกัน อย่างนี้พระรัฐบาลก็รั บ, ร, บรับนิ ม, มนต์บอกว่าอาพรุ่งนี้จึงค่อยมาในเวลาที่จะมาปับ๊บก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เขาก็เอากองทรัพย์สมบัติมากองเต็มเต็มบ้านเลยว่างั้นเถอะแล้วก็เชิญภรรยาเก่ามาภรรยาเก่าก็เนี่ยนะทาปากแดงอะไรเรียบร้อยสวยทีเดียวแหลนะโชว์เรียบร้อยเลยมานั่งปับ๊บนะวันรุ่งขึ้นพระรัฐบาลก็มา พอมาก็ไอ่ฉันฉันเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์ท่านบอกว่าท่านท่านมาดูนี่สิมาดูนี่มาดูนี่ให้พระรัฐบาลมาดูทองเงินแล้วก็ภรรยาเก่าเนี่ยนะแล้วก็เชิญท่านให้ลาศิกขามาอยู่เป็นครวาญแล้วก็ใช้เงินเนี้ยทาบุญบ้างอะไรบ้างก็ตามสบายได้เลยพระรัฐบาลก็เลยบอกว่านี่นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยญาติโยมเนี่ยช่วยเอาทรัพย์อันนี้นะที่กองกองอย่างนี้ไปทิ้งทะเลให้หน่อยนะ เพราะความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นมันล้วนแต่เกิดจากทรัพย์อันนี้ทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะพอท่านพูดเท่านี้แหละท่านก็เหาไปเลยหายแวบบไปเลยนี่ยนะอย่างเงี้นี่ใครอยากไปอ่านก็ไปอ่านได้นะรัฐบาลสูตรเรื่องพระรัฐบาลนะท่านบวชตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะมีภรรยาแล้วแล้วก็ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวช ฉะนั้นเพศพระนี้ต้องรักษาไว้นะเพราะว่าเอาไว้สําหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นพระอระหันต์นี่เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชเขาไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยคนที่ต้องการจริงๆเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ละเครือญาติน้อยใหญ่ญาติก็ไม่ยุ่งเลยไปบวชนี่ไม่ได้ให้แม่ไปโชว์หน้าตาปราบปลื้มที่ลูกชายบวชไม่ใช่อย่างนั้นนะการบวชในสมัยพุทธกาลนี้ เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคือเป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องเสียลูกไปคนหนึ่งเสียแรงงานไปคนหนึ่งไม่ใช่บวชแล้วพ่อแม่ได้บุญเยอะนะบวชแล้วพ่อแม่เศร้ามากนะนี่ต่างกันนะเราทุกยุคนี้เป็นไงเนเวลาลูกจะบวชทีหนึ่งเนาะพ่อแม่ได้ถวายพ้าไตรแม่ปลื้มเลือเกเงินก็ว่าอย่างี้นะจะได้เกาะชายป่าเหลืองไปสวรรค์แล้วว่าอย่างี้แต่จริงๆไม่ใช่นะ ในสมัยพุทธกาลไม่ใช่อย่างนั้นเลยคนละเรื่องกันนะก็คือการบวชนี้เขาบวชแบบเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้บวชแล้วลาศึกอะไรพวกนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นลูกชายคนไหนที่จะบวชปั๊บเนี่ยพ่อแม่จะต้องเสียใจว่าโอ้เราจะเสียลูกชายไปคนหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาตัดเครือญาติไปเลยตัดญาติตัดมิตรกันไปเลยแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะยกเว้นบางกรณีที่มาเจอกันบ้างนิดๆหน่นนอย แล้วก็ไม่ได้บวชไม่ได้เชิญแม่มางานบวช ด, ด้วยนะหนีไปเลยไปบวชเลยขออนุญาตเสร็จก็ไปเลยหายเงียบไปเลยทำอนองนี้นะแต่เราทุกวันนี้แม่จะจัดงานบวชทีพ่อแม่ต้องจัดงานให้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีแฟนมาถือหมอนด้วยใช่ไหมโอ้ <c oughs> ยำแย่เต็มทนนะไม่รู้ยังไง <c oughs> ก็ว่ากันไปนะก็เป็นประเพณีที่ งอกขึ้นมาเป็นอันมากนะครับแต่ถ้าจะให้บวชถูกต้องมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ฉะนั้นไม่ต้องบวชเยอะก็ได้นะเราทั้งหลายถ้าบวชแบบจะถือหมอนแบบอย่างนั้นอย่างนี้บวชก่อนเบียดหรือว่าบวชเพื่อว่าจะได้ดูดีจะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่ามันเสียของท่านนะให้รักษาไว้แต่ว่าเอาเฉพาะคนที่เขาต้องการไม่ต้องบวชเยอะก็ได้ บวช น, น้อยก็ได้นีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมเป็นฆราวาสไปพอมีสติปัญญาถึงระดับพอที่จะบวชก็ค่อยบวชอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้นะท่านละกองพวกสมบัติน้อยใหญ่แล้วก็ละเกลือญาติน้อยใหญ่ออกบวชคือไม่ห่วงให่กังวล น, นั่นเองนะอันนี้เป็นลักษณะของการบวชที่ถูกต้องนะในสมัยพุทธกาลในยุคนี้ก็ อย่างว่าแล้วนะเวลามันผ่านมามากก็มีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะนะก็ไม่เป็นไรนะก็เอาพอสมควรก็แล้วกันก็หาแก่นกันให้เจอกแล้วกันนะ <c oughs> ต่อไปในบาลีข้อ411หลังจากบวชแล้วก็มาฝึกฝนตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ก็คือฝึกฝนให้เป็นผู้มีศีล น, นะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะทุกคน ถ้าได้ศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาปฏิบัติธรรมให้เกิดศีลต่อมาก็ให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาไปตามลําดับอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ในที่นี้กําลังพูดถึงพระว่าท่านมาบวชแล้วมาบวชแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้นะฉะนั้นวิถีชีวิตก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่เลือกแบบไหนนะครับในบาลีข้อ41่ก็เป็นวิถีชีวิตแบบพระนะ ก็ต้องมาฝึกฝนให้มีศีลแบบพระก่อนโสเอวังปรปพชิตโตสมาโนภิกษุนั้นครั้นเป็นบรรพชิตคือเป็นผู้บวชแล้วอย่างนี้พิกขูนังสิกขาสาชีวะสมาปันโนก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศิกขาและอาชีพศิกขาก็คือการฝึกฝนตนเองสิกขานะ มีศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาคือเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนเองบวชมาฝึกตนเองไม่ใช่บวชมานอนหรือว่าบวชมาทำอะไรนะบวชมาฝึกในฝึกตอนตอน้ตนๆก็ฝึกให้มีศีลแล้วก็สาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมตามเพศของพระเราเป็นมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคราวาดก็ต้องมีชีวิตดาเนินไปนะ อย่างคารวะเราก็มีชีวิตก็ต้องหาอาชีพหาทํามาหากินเลี้ยงตัวเองไปส่วนพระก็เหมือนกันนะก็ต้องมีอาชีพในแบบพระอาชีพในแบบพระก็คือการเที่ยวบินธบาตเป็นต้นนั่นแหละแล้วก็อยู่ตามวินยัยมีการฝึกฝนตนเองแล้วก็มีอาชีพที่เหมาะสมตามแบบของพระต่อไปท่านก็กล่าวถึงการมีศีลปาณาติปาตังปะหายะปานา ติปาตาปฏิวิรโตโหติท่านก็ละการฆ่าสัตว์เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์นิหิตะธันโดนิิตะสัทโถลัชีดยาปันโนมีท่อนไม้อันวางลงแล้วมีสัต์ราอันวางลงแล้วเป็นผู้มีความละอายมีความเอ็นดูสัพพปานะภูตะหิตานุกรรมปีวิหรติเป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่ ด้วยความอนุเคราะห์แก่สัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่มีศีลข้อที่หนึ่งก็คือละปานาติบาอันนี้ขั้นต้นก็ละนะขั้นต่อมาก็ฝึกฝนให้งดเว้นให้เว้นขาดไปให้ไม่ทำเลยแล้วก็ถ้างดเว้นละเว้นได้ฝ่ายดีๆก็จะเกิดขึ้นวางศาสตรา วางท่อนไม้เป็นคนที่ละอายมีความเอ็นดูใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็ศีลข้อที่หนึ่งนะครับต่อมาอดินนาดายังอดินนาดานังปหายะอดินนาดานาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้ละอธทินนาทาน เป็นผู้งดเว้นจากอธินนาทานดินนาดายีดิ น, นะปาติกังขีเป็นผู้ถือเอาเฉพาะสิ่งของที่เขาให้แล้วเท่านั้นเป็นผู้หวังเฉพาะสิ่งที่เขาให้อเถเนนะสุจิภูเตนะอัตนาวิหรติดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมีตนที่ไม่ขโมยเป็นคนสะอาดอยู่นะ อันนี้ก็สีลข้อต่อมาเป็นข้อที่สองงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่สิ่งที่เขาให้หวังแต่สิ่งที่เขาให้เท่านั้นส่วนของที่เขาไม่ให้ไม่คิดถึงเลยทำนองนี้แล้วก็มีตนที่ไม่ขโมยอเทเนนะแปลว่าไม่ขโมยสุจิภูเตนะเป็นคนที่มีใจสะอาดอยู่อัตนาก็คือมีตน พระมัจจริยังปหายะพระมจารีโหติงดเว้นละการประพฤติ ท, ที่ผิดพรหมจรรย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้สำหรับพระนะก็คือไม่มีการเสพเมตุนอะไรนะไม่มีการประพฤติอย่างคนเป็นคนคู่ประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตที่มันประเสริฐไปผู้เดียวในแบบพระอาราจารีเป็นผู้ประพฤติทางไกล วิรโตเมถุนาคามธรรมมาเป็นผู้งดเว้นจากเมถุนธรรมอันเป็นเรื่องปกติของพวกชาวบ้านนะเมทุนธรรมนี้เป็นเรื่องปกติของพวกที่อยู่ในบ้านส่วนตอนนี้ท่านบวชแบบไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วก็งดเว้นจากเมถุนประพืหทางไกลไกลไปเรื่อยๆนะข้อต่อมา มุสาวาดังปหายะมุสาวาดาปฏิวิรโตโหติละมุสาวาดเป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาทสั จ, จวาดีเป็นผู้มีปกติกล่าวแต่คำจริงสั จ, จสันโทต่อคำจริงด้วยคำจริงคำที่หนึ่งก็จริงคำที่สองก็จริงคำที่สมก็จริงไปเรื่อยๆเอาคำจริงมาต่อกันนะเถโต มีถ้อยคำที่เป็นหลักฐานปัจจญิโกมีช้อยคำที่เชื่อถือได้อวิสังวาดโกโลกัศสะเป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงชาวโลกอันนี้ข้อต่อมาปิสุนังวาจังปหายะปิสุนายะวาจายะปฏิวิรโตโหติละปิสุนาวาจาคือคำพูดที่ส่อเสียด เป็นผู้งดเว้นจากปิสุนาวาจาอิโตสุตวานะอมุตระอักขาตาอิเมสังเบทายะคือฟังคําจากข้างนี้แล้วไม่เอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้อมุตระวาสุตวานะอิเมสังอักขาตาอมูสังเบดายะหรือว่าฟังคําจากข้างโน้นแล้วไม่เอามาบอกข้างนี้ เพื่อทำลายข้างโน้อนอิติพินนานังวาสันธาตาเป็นผู้ที่ประสานคนที่แตกกันสหิตานังวาอนุปปดาตาเป็นผู้ที่ส่งเสริมคนที่สามัคคีกันสมัครคารโมดินดีในความสามคัคคีสมัคระโตเพลิดเพลินในความสามัคคี สมัครคนันดีชอบในความสามคัคคีสมัคคะกรัณิงวาจังภาสิตาโหติเป็นผู้กล่าววาจาที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีกันอย่างนี้นะอันนี้ก็เว้นจากปิสุณาวาจาคําพูดที่ทําให้คนแตกกันเกลียดกันให้เขาเกลียดคนอื่นแต่ชอบเราอย่างนี้เป็นต้น ต่อไปพรุสังวาจังปหายะภรุสายะวาจายะปฏิวิรโตโหติและพรุสวาจาคือคำพูดที่หยาบคายเป็นผู้งดเว้นจากพรุสวาจายาสาวาจาเนลากันนสุ ข, ขาเปมะนียาหะทะยังขมากล่าวแต่วาจาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้คือวาจาอันใดที่ เนลาเนลาคือวาจาไม่มีโทษกันนะสุขาไพระหูเพราะหูเปมณียาทำให้เกิดความรักหาทยังเขมาตรึงใจโปรีเป็นคำพูดของชาวเมืองพระหุชนะกันตาคนส่วนมากรักใคร่พระหุชนะมนาปา่าคนส่วนมากพอใจ ตถารูปิงวาจังพาสิตาโหติเป็นผู้กล่าววาจามีลักษณะเช่นนั้นกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษภัยระหูอย่างนี้เป็นต้กนกนละวาจาที่หยาบคายสัมผัสปลาปังปหายะสัมผัสปลาปาปฏิวิรโตโหติละสัมผัสปลาปาคือคำพูดที่เพอร์เจอร์ไร้ประโยชน์ งดเว้นจากสัมผัสปลาปะกาละวาดีเป็นผู้พูดถูกกาลถูกเวลาภูตะวาดีพูดแต่คําจริงอัตตวาดีพูดแต่สิ่งมีประโยชน์ธรรมะวาดีพูดแต่สิ่งที่เป็นธรรมะวินัยวาดีพูดแต่สิ่งที่เป็นวินยัยคือเครื่องขัดเกลากเกลิดนิธานวติงวาจังพาสิตา กล่าวแต่ว่าจาที่มีหลักฐานอ้างอิงได้กาเลนะตามการอันสมควรสาปฏเดสังมีที่อ้างอิงปริยันตะวะติง่งมีที่สุดอัฏฐสันหิตังประกอบไปด้วยเนื้อความมีเนื้อหาสาระนะพูดมีเนื้อหาสาระแล้วก็พูดรู้จักจบด้วยนะรู้จักที่ลงมาอย่างนั้นเถอะนะ อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ละสัมผัสปลาปะงดเว้นจากสัมผัสปลาปะนะครับก็จะมีลักษณะต่างๆกันไปซึ่งข้อต้นๆนี้เราทั้งหลายก็ต้องฝึกฝนให้มีอย่างนี้เหมือนกันนะอันนี้สาหรับพระก็จะเหนือกว่าเราเพิ่มขึ้นไปอีกมีวินัยข้อต่างๆกำกับไว้อีกนะครับข้อต่อไปอาจจะเกี่ยวเราบ้างไม่เกี่ยวเราบ้างเพราะว่าพูดถึงพระนะก็จะมีเยอะ โสพีชะคามะภูตะคามะสมารมภาปฏิวิรโตโหติภิกษุนั้นเป็นผู้งดเว้นจากการพรากพีชะคามและก็ภูตะคามนะพระนี้เขาห้ามตัดต้นไม้ห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามอะไรต่างๆเอกพติโกโหติรัตรตูปะรโตวิรโตวิกาละโพชนาะเป็นผู้ ฉันอาหารช่วงเวลาเดียวคือเฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นเป็นผู้งดเว้นในเวลากลางคืนงดเว้นโภชนะในเวลาวิการฉันแต่ในการเช้าถึงเที่ยงส่วนวิการคือหลังเที่ยงไปแล้วนัจคีตวาทิตวิสูกทัศนาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้องและประโคมดนตรีนัจจะแปลว่าฟ้อนรำขีตะขับร้องวานิตะการประโคมดนตรีวิสูกะอันเป็นค่าศึกต่อการบาเพ็ญกุศลเวลาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีแล้วส่วนใหญ่ก็จะเพลิดเพลินกิเลสขับร้อง และประโคมดนตรีห อ, อมวิเลปณะเครื่องรูปไายธารณะแปลว่าทรงไว้เอามาคล้องตนเองคล้องคอคล้องแขน มันณะแปลว่าประดับเอามาห้อยตรงนั้นห้อยตรงนี้วิภูสณะแปลว่าตกแต่งทานั่นทานี่นี่อันนี้อัฏฐแปลว่าม้าวัลลวะแปลว่าลานารับช้างโคม้าลาเขตตวัตถุปฏิฆานาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากการรับนาและสวน ทูเตยะปฏิฆะนะทูเตยะปะหนะิะะหนะคมนานุโยคาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากการประกอบทำตัวเป็นทูดทูดคือคนส่งข่าวสารรับส่งข่าวสารให้กับพวกเครหัส่าทั้งหลายนะ กยวิกายาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากการซื้อและการขาย ต, าตุลากูตะตุลากูตะกังสะกูตะมานากูตาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากการโกงด้วยตาช่างโกงด้วยของปลอมโกงด้วยเครื่องตวงตุลากูตะการโกงด้วยตาช่าง กังสกูตะโกงด้วยของปลอมมานกูตะโกงด้วยเครื่องตวงวัดอุโกโตนะวันชนะนิกติสาวิโยขาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเฉทนะวทฒพันธนวิปราโมสะอาโลปะ สาสาการาปฏิวิรโตโหติเป็นผู้งดเว้นจากการตัดการฆ่าการจองจําการตีชิงวิ่งราวการร้นและการขู่กันโชคอันนี้ก็เป็นแง่ของศีล น, นะตามวินัยมีเยอะกว่านี้นะแต่อันนี้ก็แบบพระสูตรก็พูดในแบบเป็นกว้างๆไว้นะครับอันนี้สำหรับพระนะคารวะเราก็ ต้องมีศีลเหมือนกันแต่ว่าศีลพื้นฐานของเราก็คือศีลห้าอันนี้เป็นพื้นฐานสําหรับที่จะรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้แล้วก็เป็นพื้นฐานสําหรับให้ไปสุคติโลกสวรรค์ต่อไปแต่ถ้าเป็นศีลในแบบอริยมรรคเราก็ต้องไปฝึกฝนตามนั้นคือสัมมาวาจาก็ละเว้นวจีทุจริตสัมมากัมมันตะก็ละเว้นกายะทุจริตแล้วก็สัมมาอาชีวะก็ละเว้นอาชีพที่ไม่ถูกต้อง อันนี้เรียกว่าศีลในแบบอริยมรรคนะครับส่วนศีลห้าอัน 5, นั้นเป็นพื้นฐานเฉยเฉยไม่ใช่แบบอริยมรรคนะเป็นพื้นฐานสําหรับรักษาความเป็นมนุษย์แล้วก็เอาเป็นพื้นฐานสําหรับการฝึกฝนกจิตใจตนเองส่วนเมื่อมีพื้นฐานแล้วฝึกฝนแล้วต้องย้ายขึ้นมารักษาศีลในแง่อริยมรรคของพระก็เหมือนกันในที่นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอริยมรรคนั่นแหละคืองดเว้นจากวจีทุจริต งดเว้นจากการยะทุจริตแล้วก็งดเว้นจากการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องแต่ของพระนี่ต้องงดเว้นเยอะหน่อยเพราะว่าการเลี้ยงชีพไม่ถูกต้องแบบพระนี่เยอะมากนะการทำนายทายทักดูมงคลดูเรกดูยามเอาน ان, ั่นเอานี่แสวงหาไม่สมควรนี่ผิดหมดต้องงดเว้นอย่างนี้ของเราก็ต้องงดเว้นอาชีพที่ไม่ดีของพระก็งดเว้นอาชีพที่ไม่ดีเหมือนกันแต่อาชีพที่ไม่ดีของพระมันเยอะ เนี่ยเห็นเนี่ยที่ท่านแยกเอาไว้มีเยอะแยะมากมายพระจะมาให้มีาธาตุมีทาสีคอยรับใช้จะมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่สุกรอะไรพวกนี้นะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแต่คารวะาเรายังบางอันยังพอได้นะก็ให้มันตามสมควรของตนเองตนเองไปก็แล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นศีลขั้นต้นศีลนะขั้นต้นอันนี้ท่านเรียกว่าปาติโมกขสังวรการสารวมระวังในปาติโมกอันเป็นศีลขั้นพื้นฐานในด้านกายวาจานะกายวาจาบริสุทธ์ก็จะเป็นที่ตั้งของจิตที่บริสุทธ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตที่บริสุทธ์ก็จะเป็นที่ตั้งให้เกิดสมาธิเกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบริสุทธ์ได้ด้วยปัญญา นะครับนี้พระองค์แจกแจงให้เราเห็นนะมีทั้งเรื่องการฝึกฝนให้มีศีลต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสันโดษแล้วก็เรื่องของการมีอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะให้ได้ในทุกๆอิริยาบถไล่ไปเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ทําไมจึงแยกแยะเยอะอย่างนี้ทั้งๆที่บางพระสูตรนั้นเวลาพระองค์แสดงทำไปเขาก็บรรลุไปแล้วทําไม จึงมาแยกแยะไว้เยอะอย่างนี้คนที่บรรลุในตอนฟังธรรมยกหัวข้อนี้เขาเรียกว่าพวกอุคติตัญญูพวกนี้มีปัญญาเยอะพร้อมแล้วก็ฟังธรรมจิตเป็นสมาธิแล้วก็บรรลุไปทีนี้บางท่านยังไม่บรรลุในตอนนั้นบนรรลุตอนขยายความก็มีเรียกว่าวิป จ, จิตันญูนะครับส่วนคําสอนประเภทที่แยกแยะหัวข้อมากๆแล้วให้เอาไปปฏิบัติอันนี้เป็นคําสอนสําหรับพวกเนยยะ เราก็ดูตัวเองก็แล้วกันว่าเป็นพวกไหนนะมีสองพวกที่เหลือให้เป็นนะเพราะว่าถ้าเป็นอุกติตันยูไม่ต้องมานั่งฟังผมอย่างนี้แ ล, ล้วบรรลุไปตั้งนานแลพวกวิปจิตตันยูก็แม้ถ้าขยายความนิดหน่อยก็บรรลุไปแล้วอันนี้ส่วนคำสอนที่ให้เอามาฝึกนี่มันสำหรับพวกเนยยะพวกเนยยะท่านจึงบอกว่าต้องฟังฟังหัวข้อฟังขยายความสอบถามทบทวนความเข้าใจถามแล้วถามอีก จนเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกขัดตามลำดับของสิกขาศีลสมาธิปัญญาเมื่อสมบูรณ์พร้อมไม่รู้เมื่อไหร่ก็จะบรรลุในชาตินั้นถ้าไม่บรรลุก็ทำแบบเดียวกันนั่นแหละแต่จะเป็นปัทถประมะไปอย่างนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นี้มีสองอันให้เลือกจะเลือกอันไหนก็ได้แต่ว่าบางคนนี้เขาไม่ทาอะไรเลยก็ขอปัทประมาก่อนก็แล้วกันล่ะครับโอ้อยางนี้ก็คงปัทถประมะไปเรื่อยๆนะ ฉะนั้นบางคนนี่เขาไม่เข้าใจเขานึกว่าเออคนอื่นเขาฟังทำก็บรรลุแล้วเราก็ฟังจะบรรลุบ้างเขาว่าอย่างนั้นไปอีกต้องดูบุคคลที่แตกต่างกันในโลกนี้นะแตกต่างกันคนที่บรรลุธรรมเป็นเวนิยสัตว์เนี่ท่านแยกเป็น4ี่อย่างนี้คือเป็นอุคติตันญูผู้ที่บรรลุตอนยกหัวข้อแล้วก็วิป จ, จิตตัญญูบรรลุตอนขยายความ พวกเนยยะพวกนี้พอแนะนำได้นะก็คือพวกนี้ต้องแนะนำเยอะเริ่มตั้งแต่ฟังหัวข้อฟังขยายความแล้วก็สอบถามยกตัวอย่างพอเข้าใจแล้วก็บอกวิธีให้เอาไปฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปตามลำดับของศิกขาจนสมบูรณ์บรรลุธรรมก็ได้เป็นพระอริยะกับเขาเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก็จะเป็นปัตปรมไปก็มีสี่พวกอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นคำสอนในแง่ของการมาฝึกฝนนี่เป็นคําสอนเอาไว้ใช้สําหรับพวกเนยยะนะเราทั้งหลายก็ดุกันแล้วกันนะก็ฝึกฝนไปนะครับฉะ้นบางคนก็ฟังธรรมะแล้วก็มาเพิกเฉยว่าไม่ต้องฝึกเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาฟังฟังไปอาจจะบรรลุอย่างเขาบ้างอย่างนี้อันนี้เขาจัดตัวเองผิดนะเขาไปจัดตัวเองว่าเอ๊ะฉันคงจะวิปจิตันยูซะละมั่งฉันว่าไง โอ้ยถ้าเป็นวิปจิตันญูนี่บรรลุไปแล้วที่เรายังไม่บรรลุยังไม่เห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนี้เพราะเราเป็นเนยยะทีนี้พอเป็นเนยยะพอแนะนําได้เราไม่ฝึกฝนตนเองมันก็ไม่ได้อะไรเราก็วนไปเรื่อยๆรนี่ต้องเข้าใจดีๆนะนะฉะนั้นต้องจัดตัวเองให้ดีๆบางคนก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ฟังแล้วก็ประมาทไปอย่างนั้นนะไม่มาฝึกฝนตนเองไม่ทําความเพียรอย่างนี้นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวก็พักสักครู่นะครับ